ข้อที่สอาจคิดให้มีระเบียบการคิดยังมีระเบียบหรือคิดทีละแง่ทีละประเด็นความคิดติดต่อกันไปเป็นเรื่องๆและอันไหนที่ยังไม่เข้าใจก็พยายามคิดให้เข้าใจแล้วรวบรวมประเด็นแต่ละอย่างที่เข้าใจดีแล้วนั้นประมวลขึ้นมาเป็นเรื่องการฝึกหัดแบบนี้คนที่จะทำได้ต้องมีสมาธิดี การหัดคิดแบบนี้ก็คือการเจริญวิปัสสนานั่นเองขอให้สังเกตว่าการเจริญวิปัสสนานั้นนอกจากจะต้องคิดให้เป็นประเบียบแล้วยังจะต้องคิดซ้ำๆซึ่งเรียกว่าบริกรรมหรือภาวนาอยู่แต่ในเรื่องเรื่องเดียวหรือในประเด็นแต่ละอย่างเป็นเวลานานการทำแบบนี้ก็คือการย้ำความจำและความเข้าใจให้แฉมกระจ่างยิ่งขึ้น ลึกซึ้งมันของยิ่งขึ้นคนที่เรียนมากแต่ไม่ค่อยได้ใช้สมาธิหรือวิปัสสนาซึ่งหมายความว่าอันไหนพอเข้าใจแล้วก็ผ่านไปไม่ค่อยจะได้ย้าบ่อยๆแม้ในเรื่องที่เข้าใจดีแล้วนั้นคนประเภทนี้จะเกิดมามีสมองสำหรับคิดอะไรลึกซึ้งจริงๆไม่ได้และจะเข้าใจอะไรลึกซึ้งแล้วรวดเร็วก็เป็นไปไม่ได้ การฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนาในความหมายดังที่ได้อธิบายมานี้เราย่อมจะนำไปใช้ได้กับวิชาการทุกขแขนงคือไม่ใช่เฉพาะแต่ในด้านธรรมะเท่านั้นอนหนึ่งโปรดอย่าเข้าใจผิดว่าการทำแบบนี้จะทำให้การศึกษาเป็นไปอย่างเชื่องช้าจะเรียนไม่ทันคนอื่นขอให้พยายามพิจารณาทฤษฎีที่กล่าวมานี้หลายๆครั้ง เรายอมเรียนซ้ำเพราะค่อยๆก้าวไปทีละน้อยทีละน้อยเนื่องจากมัวแต่คอยยำ้ำถึงเรื่องที่เรียนมาแล้วบ่อยๆวิธีนี้จะแลดูช้าก็แต่ในระยะแรกเท่านั้นแต่ถ้าได้วางพื้นฐานเอาไว้ดีแล้วต่อไปไม่ว่าจะเรียนอะไรจะเรียนได้อย่างรวดเร็วมากคือจำได้แม่นยำจำได้รวดเร็วและก็ใจดีด้วยเวลาจะนำความรู้ออกมาใช้ ก็จะรู้จักหยิบขึ้นมาใช้ได้เหมาะกับเหตุการณ์เสมอจะรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเด็กหรือนักศึกษาทุกวันนี้เนื่องจากหลักสูตรที่บังคับให้เรียนมีหลายวิชาและแต่และ ว, วิชาก็มีมากเวลาเรียนก็ไม่ค่อยจะพอเพราะฉะนั้นจึงเรียนการศักต่ว่าพอให้ผ่า น, านไปมีความรู้กว้างคือรู้หลายอย่าง แต่ความรู้แต่ละอย่างไม่ลึกซึ้งการศึกษาแบบนี้เป็นการทำลายสมองอย่าลืมว่าสมองเป็นกรรมมัชรูปสมองจะดีหรือไม่ดีย่อมขึ้นอยู่กับการสร้างคุณสมบัติให้แก่จิตใจคนที่หมั่นฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาในความหมายดังที่ได้อธิบายมา ซึ่งสามารถจะนำไปใช้ได้กับวิชาทุกขแขนงอันนี้แหละคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้คนเราเกิดมามีสมองดีหรือมีความจำดี